بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ح م د لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وانتبعهم بإحسان ا ل ى مدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة الأنفال من سورة تيبوتن رنربو كان بن سبشلوي تجبن بن موت ت ع م ตามกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินนะมันก็เหมือนเป็นสซลเดลเฟลเนี่ยเหมือนเป็นกฎหมายบริหารรายได้แผ่นดินรายได้แผ่นดินที่ผมได้อธิบายกับพี่น้องตอนเริ่มต้นสุรเดลเฟ ล, แ, ลแรกเลยนะครับ รายได้ของกนจักรอิสลามเนี่ยก็มาจากอะไรอะเศกิจากามาจากเศกาจมาจากทรัพย์เฉลยทรัพย์เฉลยเนี่ยก็คือทรัพย์สินที่ได้มาจากการทําศึกมาจากการทําศึกมีการประทะระหว่างสองกองทัพแล้วก็มีทรัพย์เฉลยนี่ในกฎหมายอิสลามนะ ซับเลก็จะมีประเภทหนึ่งเรียกว่าแอนไฟไฟนี่ก็คือทรัพย์สินของศัตรูที่ได้มาโดยไม่ได้ทําศึกก็ไปยึดทรัพย์ของของศัตรูโดยที่ไม่ได้ทําศึกนี่เขาเร ก, กันไฟในกฎหมอิสลามแบ่งแยกในประวัติศาสตรนี่เขาอาจจะไม่มีรายละเอียดในกฎหมายอิสลามนี่มีมีมีแยกแล้วก็มี จิเซียอะไรได้ของอณาจักรอิสมีีิซียนี่ก็คือภาษีที่เก็บจากตางศาสนิกและ zakat กล่าวคือภาษีที่เก็บจากมุสลิมเพราะในอนณาจักรอิสลามเนี่ยจะไม่มีบ่งแยกด้วยเชื้อชาติหรือสัญชาติในอาณาจักรอิสลามนะในอาณาจักรอิสลามเนี่ย ก็มีแต่穆斯林ลยมเลวจุสลิมมุสลิมเนี่ยเป็นเชื่อชาติอะไรจะเป็นสัญชาติอะไรอะนะเหมือนกันหมดแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือคนนี้ไม่ใช่มุสลิมฉะนั้นในมุมมองเนี่ยในมุมมองเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าอิสลามได้บริหารแผ่นดินโดยไม่มีระบบเชื่อชาติหรือสัญชาติถ้ามองแบบนี้ การที่จะกําหนดภาษีตามประเทศมันก็ไม่ต่างกับภาษีที่ทุกประเทศวันนี้ที่จะกําหนดว่ามีภาษีสําหรับคนไทยแล้วก็มีภาษีต่างชาติเห็นไหมอวดภาษีคนที่เป็นคนไทยนี่จ่ายภาษีเขาเรียกอะไรอัตราหนึ่ง คนต่างชาติแม้กระทั่งแม้กระทั่งคนที่ทําธุรกิจถ้าเป็นคนไทยนี่ก็อัตรานึงถ้าเป็นคนต่างชาตินี่ก็อีกอีก อ, กอย่างหนึ่งทําไมอ่ะทำไมแบ่งเนี่ยก็เพราะระบบรบริหารแผ่นดินในปัจจุบันนี้เนี่ยเขายึดเรื่องอะไรเรื่องสัญชาติหรือเชื้อชาตินี่ต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีนะตอบอกว่าอิสลามเอ อ, อิสลามทําไมเก็บดิสียรจากคนตา่างศาสนา เพราะระบบบริหารเราไม่มีแบ่งแยกด้วยเชื้อชาติเรื่องสัญชาติและการแบ่งแยกด้วยศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายรวมว่าจะไปเก็บคนต่างศาสนิกมากกว่าในประวัติศาสตร์ชัดเจนเลยว่า zakat เนี่ยที่เก็บจากมุสลิมมานะ่มากกว่าดิซียาที่เก็บจากต่างศาสนิา น, นี้ย้อนหลังไปนิดนึงเป็นฝูข้อมูลที่เคยพูด ช่วงแรกๆอาตอมลงมีมีซับเลยที่เกิดจากสงครามทําศึกแล้วก็มีซับเลยที่ไม่ได้เกิดจากสงครามนี่ก็เรก่องไฟแล้วก็มีจีเซียก็คือภาษีที่เก็บจากต่างศาสนาิสลามแล้วก็มีอา ก, กาศก็คือภาษีที่เก็บจากมุสลิมก็มันมันคล้ายๆภาษีแล้วก็ยังมี ยังมีภาษีที่เก็บจัดแผ่นดินที่ถูกพิชิตแล้วก็เก็บาภาษีจัดคนที่ครอบครองถ้าเทียบแล้วในปัจจุบันนี้ก็เหมือนภาษีที่ดินภาษีหลังคาเรือนทั้งหลายนี่ก็คล้ายๆกันแล้วก็ยังมีภาษีเข้าเมืองภาษีเข้าเมืองภาษีเข้าเมืองนี่ ก็จะไม่มองถึงเรื่องเช่นกันไม่มองถึงเรื่องสัญชาติใครที่เป็นมุสลิมไม่จ่ายภาษีเข้าเหมือคนจีนถ้าเป็นมุสลิมมาไหนแต่ไหนอะนะไ ป, ไปได้หมดที่สะดวกมากกว่านี้ไม่ต้องมีพัสปอรถเลยไม่ต้องมีหนังสือเดินทาง แต่ถ้าหากว่าเป็นต่างศาสนิกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสามประเภทประเภทแรกก็คือคนที่เป็นศัตรูก็คือรู้กันว่าอยู่ค่ายอยู่ฝ่ายที่เป็นศัตรูที่กําลังทําสงครามกันแต่เขาประสงค์ที่จะเข้าอณาจักรอิสลามจะได้ทําธุรกิจจะค้าขายทํามาหากินช่วยข่าวอนุญาตไม่อนุญาต อ่ะันนี้เขาก็จะผู้จ่ายภาษีอันนี้อันนี้เขาจะเรียกกันแล้วตอนเข้าเนี่ยเขาจะต้องได้รับการอนุญาตเพื่อคุ้มครองคนนี้เขาจะเรียกกันอัลมุสตะมัลต้องรับการคุ้มครองจากผู้นํามุสลิมผู้จ่ายภาษีสองของคนคนที่เข้าเมืองที่เป็นต่างศาสนาเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้มี ไม่ได้มีสงคําด้วยกันก็อยู่กับกลุ่มชนที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่ต่างถิ่นอยู่นอกอาณาจักรอิสลามแต่ไม่ได้มีสงคราอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเข้าในผื้นเพดินของของมุสลิมก็ก็มีภาษีเราเรียกว่าเหมือนภาษีเข้าเมืองนั่นแหละสามก็คือประเภทคนที่ ไม่ได้ไม่ได้อยากจะเข้ามาเพื่อทำมากินทำธุรกิจแต่เข้ามาเพื่อธุระชั่วคราว เ, าเช่นพวกคณะทูตอะไรแบบเนี้ยคนเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่จ่ายภาษีแต่ก็จะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างกับรัฐบาล ข, ของเขาว่าว่ากลุ่มชนข่มเขาคนเหล่านี้ถ้าเขาจะเข้ามาชั่วคราวมีภารกิจ ก็จะมาเยี่ยมหรือจะมาอะไรก็จะมีก็จะมีภา ษ, ษีบางส่วนซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่อีกย่อยไปอีกนี่คือส่วนมากของไรายได้ในอนาณาจักรอิสลามบางคนบอกว่าเราทรัพยากรละ่ะพวกเหมืองพวกน้ํามันพวกอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับทรัพย์สินถ้าเป็นทรัพย์สินของรัฐ ถ้าเป็นทรัพย์สินของรัฐจะสมมุติว่าเจอเหมืองในพื้นที่ของรัฐนี้ก็เป็นของรัฐทั้งหมดอันนี้อันนี้ก็ก็ถือว่าอะไรได้เข้าหมดเข้าไปทุนมาใปทุนมาในกระทรวงการขันถ้าพื้นที่เอกชนแล้วก็เจอทรัพยากรอะไรสักอย่างน้ำมันเหมืองอะไรต่างๆนี่นะอันนี้ก็จะเข้าระบบสกาดหรือภาษี ก็มีฮะดีซิกรรมกับเรื่องนี้ว่าจะต้องให้สกาัดหนึ่งในห้าแล้วก็สี่ในห้านี่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหนึ่งอันนี้ตามตามกฎหมายอิสลามนะซึ่งจะมีรายละเอียดที่ปีย่อยมากกว่ามากกว่านั้นแต่นี้โดยค ข, ข้าวๆนี้คือรายได้ที่มาจากที่ที่เป็นรายได้ของอันตะศร์อิสลามใี้จนนะ่ะแบบนี้ประกอบ่จนเนนะ่ยไม่จนนะ่ะ มีนักวิจัยคนฝรั่งคนหนึ่งได้ทํางานชิ้น ง, งานเือการศึกษาเกี่ยวกับรายได้ของรายได้ของอาณาจักรอุมะวียะที่ประเทศอันดาลูสในศตวรรษที่สามที่สี่ยุโรปประมาณพันกว่าปีแล้วนะพันกว่าปีที่ผ่านไปแล้วนะรายได้ของอเมริกาตอนเนี้ รายได้ของอเมริกาในในหนึ่งปีนี่นะประมาณสี่ล้านล้านดอลลาร์สี่ล้านกว่ากว่ารายได้ของอาณาจรรักรโบอกว่าบันทึก จ, จากจัดเอกสารที่พบนะเอกสารโบราณที่พบนะว่าในอาณาจักรอุมาวิญญาเนี่ยเมื่อพันกว่าปีแล้วเนี่ยเคยปรากฏในใบตุลมาเลยเนะี่ยเงิน เ, เ Heck, งินเงินคงค้างเงินที่ยังอยู่ที่เป็นจะใช้จ่ายในในในแผ่นดินน่ะนะสประมาณเทียบนะสองล้านล้านดอลลาร์ที่เมื่อกี่ปีนะพันกว่าปีไม่น้อยนะไม่น hey, ้อยการกดโน้นไายได้ของอาณาจักรอิสลามฉะนั้นเราจะบอกว่าไอ้นี่จุบันนี้ถ้หากว่าเราจะ ฟื้นฟูกฎหมายอิสลามแล้วก็มาบริหารแผ่นดินด้วยกฎหมายอิสลามจนบริหารได้ไงนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกทีเป็นมุสลิมนะเขาท้าเลยนะบาก็ใช้ระบบอากาศดิจะไม่มีคนจนสักคนหนึ่งแล้วเราบริหารแผ่นดินเนี่ยทุกสูตรเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเราต้องการอะไรต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีความผาสนาไม่มีคนจนไม่ใช่เหรอเอาแค่อากาศใช้แค่ ส่วนหนึ่งของระบบอิสลามนะในการบริหารส่วนหนึ่งของทรัพย์สินเนี่ยนะจะไม่มีคนจนอยู่บนพื้นแผ่นดินไม่ต้องเครียดแล้วไอเรื่องผสุนภา ษ, ษีแล้วไม่ต้องเครียดแล้วจะไม่มีคนแบมือจะไม่มีคนตะเวนถังขยะเก็บเก็บอาหารเสกขยะของชาวบ้านจะได้กินนี่เป็นต้องพูดถึงเรื่องรายได้ที่จะมาจากสงครามจะมาจากอะไรเนะี่ยถ้าเราไม่ได้ทําศึกเพราะอันจากอุบัติเหตนี่นะครับ เป็นสิบสิบปีกวจะทําศึกครั้งนึงรายได้ของเขาส่วนมากไม่ได้มาจากการทําศึก อ, อันนี้ก็เป็นการตอบตัวว้ารายได้ของอัลลอฮฺอิสลามก็มาจากเรื่องการทำ jihad ทำศึกแล้วก็ซัพย์สินี่นไม่ใช่สรุปแล้วว่าสุราอัลเลาะห์ก็เป็นสุราที่จะพูดถึงส่วนหนึ่งของการบริหารอ รายได้ของแผ่นดินรวมถึงการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภาพในสังคมคนที่อยู่ในสังคมโดยเฉพาะมูอดที่เป็นผู้ศรัทธาเนื่องจากว่าผู้ทธานี่เขาจะมีหน้าที่ในการปกป้องอาณาจักรปกป้องแผ่นดินในการทำศึกในการดูแลทรัพยากรในการดูแลชีวิต ทั้งคนมุสลิมและกคนที่ไม่ใช่มุสลิมผู้ทธานยจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างไรนะครับเราก็จะเข้าใจอะไรหลายอย่างจากสุรเดชมเพิ่มโดยเฉพาะในช่วงท้ทายๆของสูรเนี่ยก็จะมีพูดถึงประเด็นเหล่านี้ผมก็จะพยายามนำเสนอข้อมูลที่จะฉายภาพให้เห็นว่า อันกุรอานนี้ก็ถูกประทานลงมาช่วงรแรกๆโดยเฉพาะสุลต่ฟในช่วงรแรกๆที่ท่า น, นได้ได้ตั้งรัฐอิสลามที่เมืองมี น, มนนะสุลาฟถูกประทานลงมาส่วนมากหลังจากสงครามสงครามบัตรปีที่ปีที่ที่สองช่วงแรกในกนลงังกลังตั้งรัฐอยู่กำลังตั้งระบบราชการกาลงัง ร่างโครงสร้างของสังคมจะต้องเป็นยังไงในทั้งหมดในสุรห์บรรดาสุรห์แรกๆแอลอฟาก็ถือว่าเป็นสรห์ห์มเดนียะสุรห์ที่อุปทานลงมาเนี่ยหลังจากนบีอุบ้ไม่ใช่สุรห์มัตยาไม่ีมะกาเลที่มัดีนัแหลแล้วเราเรบอกว่าบรรดาสุรห์มเดนียเนี่ยก็จะเป็นสุรห์ส่วนมากเป็นสุรห์ที่มีกฎหมายเรื่องบริหาร เป็นกฎหมายเรื่องคามรักมาแล้วเรื่องความสัมพันธ์เรื่องบทลงโทษเรื่องการจัดการทรัพย์สินเรื่องการจัดการทรัพยากรเหล่านี้ก็จะเป็นเนื้อหาสําคัญสาระสําคัญนะครับในบรรดาสุรรต่างๆที่ท่าประทานลงมาส่วนมากนะครับในสุรรัตนาเดนีเราได้ถึงอายะที่หกสิบเก้า หลังจากที่ Allah ได้บอกกับท่านนบีสุลต่าอัลลอฮฺอะลัยฮิวซัลลัมว่าเป็นบทเรียนว่าไม่บังควรที่จะตั้งเป้าไว้ในการทําศึกเนี่ยที่จะมีเปอร์ซ็น์รับเฉลยเท่าไหร่จะมีเฉลยกี่คนจะได้ไถ่ไถ่เฉลยได้เงินเท่าไหร่นี้อันนี้ไม่ควรที่จะเป็นเป้าหมายเป้าหมายของเราในการที่จะในการที่จะจัดการ ผู้เก้ารา้าวผู้ละเมิดสิทธิผู้เหยียดหยามผู้อื่นซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องแสดงซึ่งความรุนแรงไม่ควรที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการทำสึกแต่ถึงกระนั้นก็าตามในการที่จะมีกฎเกณฑ์มีบทมีบท กฎหมายต่างๆในการที่จะแบ่งทรับเฉลยในการที่จะบริหารเม็ดเงินที่มันเกิดขึ้นในรับเฉลยนี่มันมีประโยชน์ 1. ใ, ในการสร้างความสบายใจกับคนที่จะได้รับเฉลยว่าเออกินได้เพราะในประชาชาติยุค ก, ก่อนบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะเอาซับเฉลยเขถือว่าเป็นเรื่องบาปในศาสนาอิสลามอัลลอฮ์ก็มายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องบาปเป็นเรื่องที่บริโภคได้2 สร้างความสบายใจระหว่างผู้สถาธาด้วยกันจะได้ไม่ขัดแย้งกันจะได้ไม่ทะเลาะ ก, กันในมาแค่ไหนนี่ก็แบ่งหนึ่งสองาี่ห้าอย่างที่อธิบายตอนต้นสู่เรานะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นสิทธิของท่านนบีก็คือผู้นำของสังคมกล่าวคือใบตุ้นมานก็คือกระทรวงการคลัง4 ส, ส่วนเนี่ยก็จะเป็นสิทธิของนักรบยกเว้นถ้าหากว่าผู้นำ ผู้นำรัฐบาลนี่คือผู้นำรัฐเนี่ยมีความเห็นที่จะเอาทรัพย์ทั้งหมดทรัพย์เยทั้งหมดเนี่ยมาแบ่งอีกทีหนึ่งถ้าไม่มีความประสงค์ก็แบ่งตามสัดส่วนนี้ก็คือก็คือ5้าส่วนส่วนหนึ่งจะเป็นสิทธิของเวทุลมากระรวงกัครคัังและก็ส่ส่วนนีก็เป็นสิทธิของคนที่ได้ทำสงครามทังส ศาลาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็จะให้ صحاب าเนได้บริโภคช่ำเฉลยด้วยความสบายใจภายหลังที่ได้จัดสรร์ช่ำเฉลยเนให้แบ่งอย่างยุติธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์ทั้งสําหรับฝ่ายส่วนรวมแล้วก็ส่วนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทําสงครามแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าฟัก mm ูล hmm. ูมิมมะฮานิมตุมฮะลาลันทิบะ อัดตะกูลลอฮ์อินนั่ลลอฮ์ฟุรุรฮิบดังนั و, ้นพวกเจ้าต้งบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีจากสิ่งที่พวกเจ้าได้มาจากการทําศึกอ้อนิมตุ้นีก็คือเินออนแอิมนี่ก็คือรัพย์เลยที่ได้มาจากการทําศึกและพึงเยียมเกรียมอัลลอฮ์เถิดแท้จริงองค์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงอินดูเมต จะสังเกต น, นะครับว่าในทุกเรื่องที่มีการพูดถึงเรื่องดุนยาอย่างเงี้ยเรื่องแบ่งทรัพย์เฉลยเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมีเรื่องตะกว่ามาแล้วเรื่องตะกว่าผูกในช่วงแรกเช่นเดียวกันจาได้ไหมตอนที่พูดนี้พูดถึงเรื่องการแบ่งทรัพย์เฉลยเราก็พูดถึงเรื่องความเป็นผู้ศรัทธาและความเป็นพี่น้องด้วยกัน ฟ้าอสุริภูดะจะไคืออย่าให้การแบ่งทรัพย์สินทำให้พวกเจ้านี่ทะเลาะกันไม่เห็นความเป็นพี่น้องกันต้องพวกเจ้าต้องเห็นใจกันละกันคุณธรรมของอิสลามในการที่จะรักษาความเป็นพี่น้องแล้วก็รักษาศีลธรรมให้มันเหนือกว่ากิเลสที่อยู่ในจิตใจของคนทุกคน คนทุกคนนี่ก็จะมีกิเลสส่วนนึงที่จะชอบเงินแล้วเวลาแบ่งสะดังกันน่ะนะก็ทุกค น, นก็กูจะได้เท่าไหร่มึงจะได้เท่าไหร่ทาไมมันได้มากกว่ากูทำไมกูน้อยกว่าอะไรเงี้ยฉะนั้นจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นกฎเหล็กก็คือแบ่งเท่านี้เลย้ามแล้วเมื่ออันนี้เป็นกฎเหล็กทุกคนจะได้สบายใจเรื่อง ที่ไม่มีใครสามารถสร้างความพอใจได้อัลลอฮฺสุบฮานาอาจะจัดการเองเรื่องแบ่งทรัพย์เฉลยเรื่องเรื่องแบ่งมรดกเห็นไหมพอมุสลิมในสังคมเนี่ยมอบหมายแ ล, ล้วเนาะเรแบ่งแล้วเรื่องนี้นี่นะพอใจนันก็จบอ่อแล้วถ้าถ้าบ่อยล่ะเรื่องมีให้แบ่งกันเองอะ ใครจะยอมล่ะความต้องการของมนุษย์แต่ละคนใครจะยอมล่ะไม่มีใครยอมไครในการแบ่งมรดกนี้แม้กระทั่งนักกฎหมายต่างศาสนาบอกว่าการแบ่งมรดกของกฎหมาย islam ถือว่ายุติธรรมและก็เย่อหยดเยี่ยมที่สุดผูกพันผูกพันกับเรื่องความศรัทธาเรื่องงานสยบเพื่อ การยอมรับในกฎหมายของพระเจ้านี่เป็นเรื่องสําคัญและมีกฎที่มันไม่ใช่กฎเหล็กนะในเรื่องแบ่งนะมันเป็นเรื่องกฎอาสาหมายถึงว่าทําไว้แล้วเรียกร้องเชิญชวนให้สังคมเนี่ยมีส่วนร่วมในการเสียสลับท่านทั้งนี้เรื่องนี้ในบางทีนี่ก็ทําอย่างเช่นในเรื่องแบ่งบรดกเนี่ยการให้หนึ่งในสามของเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยมีสิ ไม่ลูกม่ลมีสิทธิ์ซึ่งิ์เขาเป็นสิทธิ์ของเขาชิ่นเดียวกันที่จะไม่ไม่ยึดเอาตรงนี้ไปมีสิทธิ์ของเขาที่จะเอาหนึ่งในสามนี่นะจะไปทําบนไปให้คนอื่นไปให้คนแปลกหน้าไปให้ญาติพี่น้องที่ไม่ไม่ได้รับบริโภคไปให้เพื่อนที่สนิทกันอให้โรงเรียนให้เมื่อเสียตามที่เขาต้องการเป็นสิทธิ์ของเขาเลยพี่ในกรรม และมีสิทธิ์ที่จะไม่ทำมีสิทธิ์ที่จะยกวรรณโก็ทรัพย์สิทั้งหมดเลยเนี่ยให้ทายาทเรื่องแบ่งทรัพย์เชลยก็เหมือนกันทรัพย์เชลยหรือเชลยเเชลยแต่ก่อนน้น ก, ก็มีการก็มีการแบ่งท่านอริส่เร่อยเร็จแล้แลก็บางครั้งนี่ก็จะก็จะให้เตื่นโดยให้ ให้การให้เกินเนี่ยเกิดจากความสมัครใจในสงครามมนรลุสักยีฟทับเชเลยใน บ, บีคืนไม่เอาทั้งเชเลยทั้งทรัพย์นี่นะใน บ, บีคืนแต่น บ, บีก่อนที่จะคืนนี่ถามก่อนถามประชากรที่มาละครบที่มาสูร้รบอินยอมไมถ้าอินยอมเนี่ยก็คืนเข้าไปเขาก็คืนให้ ก็คือหนหอันนี้อันนี้เรื่องอาสาผู้นาจะทดลองจิตใจเนี่ยจิตใจของนักรบบอกเขาไม่ไดุสู้อันนี้จะเป็นปตัวพิสูจน์นะมุสลิมเนี่ยไม่ได้สู้ไม่ได้สู้เพ อ, อยาได้ตังค์พถึงเวลาที่จ ส, ส, ส, สีละสนีก็สละส่ช่วยเลยถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะภาษาโลกดุน ญ, ญานะอ๋อตายฟรีกันนี่ทาสงครามตายฟรีเนี่ย แต่วัตถุประสงค์ของมุสลิมในการทำสงครามนี่ไม่ใช่สัมสิทธิ์นี่ให้เห็นหรือบางครั้งที่ท่านนาบีก็จะแบ่งทรัพย์เฉลยมากกว่าให้บางคนนี่มากกว่าคนอื่นเช่นเป็นหัวหน้าเผ่าเป็นคนสำคัญเป็นคนที่ท่านนาบีคิดว่าถ้าเขาได้มากกว่านี่ก็จะมีโอกาสที่จะดึงคนอื่นมามามาสวามิภักดิ์จะได้ไม่เกิดไม่เกิดความระคายเคืองไม่เกิดความ ความไม่พอใจมันก็จะยุติสงครามได้อะไรบางอย่างนี่นะอันนี้ท่านหนบางครั้งนี้ก็ทำถ้าถึงขั้นดีชาวอังสอร์เกิด ค, ความไม่สบายใจในเรื่องนี้ว่าทำไมให้บางคนมากว่าบางคนท่านเนาบีสุลตุสก็ปลอบใจชาวอังสอรว่าเหตุผลที่ท่านนาบีทำในแบบอะไรชาวอังสอรนี่ก็เลยยอมยอมรับในเหตุผลของท่านเนาบีสุลตุ แต่ที่ยอดเยียมว่านี้นะครับว่ากุาณอ่านเนี่ยไม่ได้มีตัวบทที่จะอบรมขัดเกลาเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในจะมาภะที่กําลังมีหน้าที่ในการรับใช้ศาสนารับใช้สังคมอย่างเดียวแม้แม้กระทั่งคนที่อยู่ฝ่ายศัตรูคนที่อยู่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย หรือฝ่ายที่ตกเป็นเฉลยของมุสลิมนะคุณอ่านก็ยังยังส่งสัญญาณบอกถึงโอกาสที่อิสลามได้เปิดให้โอกาสที่อัลลอฮสุบฮานาอาจะให้แก่ทุกคนที่มีความปรารถนาดีต่ออ mm ัลลอฮสุบฮานาอาและเช่นอาย عيات الله وتعالى. يا ج س ا ل ل ه ُ ص ب ح ن َ ا و ت ع ا ل ى ك و ي ا أ ي ه ا ا ل ن َّ ب ي ك ل م َ ن ف ي أ ي د ي ك م م ن ا ل أ س ر ى إ ي ع ل م ا ل ل ه ف ي ق ل و ب ِ ك م خ َ ي ر ا ي ؤ ت ِ ك م خ َ ي ر ا م ِ م ا أ خ ِ ذ َ م ِ ن ك م و ي غ ف ِ ر ل َ ك م و ا ل ل ه غ َ ف و ر ر ح ي م ٌ أ و ل ن ب ي تُنْقَلَعَكَفُوْهُ تِيُّوْمٌ ผู้เป็น أ َ ه ُ الْمُ คนที่เป็นเชลยนะส่วนมากเนี่ก็ไม่ใช่มุสลิมมีบางส่วนที่เป็นมุสลิมอย่างเช่นอัลอาบบสอับดุลฮบูร์มุตเตลิบซึ่งเขาเป็นมุสลิมแต่ถูกบังคับให้ออกมาตอนนั้นไม่ได้อพยพอยู่ที่มักกะก็ถูกบังคับให้ออกมากับกองทัพของมุสริกีนยิงตกเป็นชเนชเลยนบีก็เลย ให้ที่นบีละตัแล้วก็อัลวักเนี่ยเลือกทัศนะให้ถ่ายตัวด้วยทรัพย์สินด้วยเงินแล้วคนที่ไม่มีเงินใอสงคํามบ้นเนี่ยมุชาลิกีนที่ไม่มีเงินที่จะถ่ายตัวเนี่ยจะต้องและมีความรู้สอนอ่านหนังสือได้เขียนหนังสือได้เนี่ยจะต้องสอนจํานวนเท่านี้เท่านี้ จากบรรดามุสลินีสอนหนังสือถ้าไม่มีตังนี่ก็ต้องเหมือนเหมือนออบริการสังคมด้วยการทำงานให้สังคมแทนการไถ่ตัวด้วยเงินอัลลอ์บอกว่าให้บอกกับคนที่เป็นเฉลยเนี่ยหากอัลลอ์ทรงรู้ว่ามีความดีใดในหัวใจของพวกท่านแล้วพระองค์ก็จะทรงประทาน ให้แก่พวกท่านซึ่งสิ่งที่ดียิ่งกว่าสิ่งที่ถูกเอามาจากพวกท่านก็คือเงินที่ไถยตัวมาเนี่ยที่เขา ต, ต้องไปเอาจากทรัพย์สินของเขานี่มาไถายตัวเนี่ยอันนี้ที่เขาเรีย ก, ยกมาเนี่ยรบกว่าถ้าอัลลอฮ์รู้ว่าในหัวใจของพวกเจ้านมีความดีนะอัลลอ์จะให้สิ่งที่มันดีกว่านั้นและจะทรงอภัยโทษแก่พวกท่านด้วยและอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ อิน้วซงอินเมต้อ้ยานี่อุลามะส่วนมากบอกว่าถูกประทันลงมาเกี่ยวกับตาลาบาสินอับดุลมุทลิบโดยเฉพาะเพราะบาสคนคนนี้ก็เขเป็นลุงของนบีลุงของนบีก็ก็จะต้องเป็นเส้นเป็นสายไงตัวช้างน่ะ นึกออกตัวช้างเข้าใจตัวช้างไหมอ่เป็นประเด็นตัวช้างตัวตัวตัวสิงก็ได้นะตัวไอพวตัวพิเศษน่ะเส้นสายของนบีเนี่ยโอ้ยเส้นสายนบีคงไม่ต้องไม่ต้องถ่ายตัวไม่ต้องจ่ายจ่ายไม่มีเส้นสายไม่มีใครมีอพิสิตจ่าย ใจแล้วก็ส่งสัญญาณให้ท่านาอับอาบาสเนี่ยแล้วก็คนอื่นที่เป็นเชเลยนี่นะว่าที่เราเอามาเนี่ยถ้าพวกเจ้าเนี่ยหัวใจของพวกเจ้าเนี่ยปรารถนาดีต่อ น, น้อง น, นี่นะพวกเจ้าเนี่ยจะได้ดีกว่าที่พวกเจ้าใจ่ายมาอ า, าบบราเบสเาตัวเล็บเนี่ยาอายันเนี่ยเกืบฉันพอตอนที่ไถ่ายตัวเนี่ยจ่ายไม่รู้กี่ร้อยดีนับหนี่ง เงินทองมียไม่รู้เท่าไรแต่พอไปทําสงครามหลังจากนั้นแล้วเนี่ยได้ซับเฉลยจัดสงครามอื่นๆนะ น, นะหลายเท่าตัวที่เขาเคยจ่ายไปช่วงแรกนั่นแสดงว่าอับบาสนมีความประทานดีเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องคือเราเข้าใจดีนะว่าสำหรับคนที่ออกสากาศ บทอบรมสําหรับคนที่ออกจาการที่เป็นมุสลิมมานะเร า, าบอกอย่าออกจากการด้วยความตรนีอย่าออกจกกาด้วยความความหวงแหนออกจาการด้วยความด้วยความใจบุญด้วยความเต็มใจในการที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอยากจนเรามก็จะเพิ่มผู้นี่ขนะคนนี้ไม่ใช่มุสลิมเลยนะ เลาก็บอกว่าความปรารถนาดีที่เจ้ามีต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะทําให้อัลลอฮ์เนี่ยตอบแทนพวกเจ้าได้ดีกว่าสิ่งที่พวกเจ้าให้อัลลอฮ์จากการไถ่ตัวตรงนี้และมากกว่านั้นความปรารถนาดีในที่อัลลอฮ์สุภ า, านะตาลาหมายถึงว่าความปรารถนาดีว่าที่ท่านนบีทําที่ท่านนบีทําศึกที่นบีละซาร์บ้านเนี่ยเขาทำศึกเขาทำสงครามเนี่ย สหายบ้เขาสู้รบเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรเพื่อพระดำรับของพระสุภานาวัตหานแต่พวกเจ้าเข้าใจในเหตุผลของการทำเจหาญของท่านดบี้สนหลงลอยวาในอุศลพวกเจ้านี้ก็จะรับโอกาสจากอลค์โเนี่ยที่จะรับอภัยโทษอวยัลฟิลลัคุมรับอภัยโทษนี้ก็หมายถึงว่ารับอิลายะเพะทุกคนที่ ทุกคนที่มีความปรารถนาดีก็หมายถึงว่าถ่ายตัวจ่ายเงินให้ท่านนบีจะได้ถ่ายตัวนี่นะส่วนมากเนี่ยหรือเกือบทั้งบดเนี่ยในรับอิสลามและนี่คือเหตุผลที่เราบอกว่าคนที่มีชีวิตที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่มีชีวิตคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะและมีชีวิตเราขอดูอาให้เขาเนี่ย ให้อัลลอฮ์ให้อภัยโทษได้ไหมได้ที่อัลลอฮห้ามเนี่ยขอดุทอาให้อภัยโทษแก่คนนี้ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยที่เลื่องรับไปแล้วแต่คนนี้ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยโอัลอฮอัลลอลุงตีนี่ขอลให้โทษขอดุทอาให้คนยังไง มึงตีมีแต่ว่ายเจ้านูา่นวายเปนพระบุตรอุละละมามะเขาบอกว่าการขอดูอาให้อัลลอฮ์ให้อภัยโทษกาเฟตหรือว่ามุสลิมที่มีชีวิตอยู่เนี่ยคือการเปิดอกให้ได้รับอิดายเพราะอภัยโทษนี่จะไม่ได้ด้ะก็ไม่ใช่มุสลิมถ้าเราขอดูอาให้อัลลอฮก็มากระท่ากับเราโอ้อัลลอฮ์ขอให้เขาได้รับอิดาย แต่ได้มีสิทธิ์รับอาวุธจากโรงนั้นแต่ไม่ต้องอ้อมขอเลยถ้ายังมีชีวิตอยู่ทําไมอะคนเขบอกว่านี่เป็นเป็นสาเหตุหลักๆนี่ที่เขาบอกว่าคนนี้มีชีวิตเนี่ยบีฟันตงว่าเขาจะเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์แม้แต่นักมุสลิมจะฟันตรงมุสลิมเดินไปฮะไม่เคยเห็นคนนี้ไปไหนเลย คาราโอเกะอะไม่เคยไปไหนเนี่ยเห็นจะออกจากบ้านไปมสซิดจากมสซิตตลอดโอ้คนแบบนี้ชาวสวรรค์เทพๆรู้ยังไงเราันปชีวิตนี่ก็จะเป็นยังไงตรงกันข้าวคนไม่เคยเข้ามาซิตเลยนะอออกจากบ้านเข้าคาราโอเกะเข้าราโอเกะเข้าชาวนรกทๆรู้ยังไง บางผู้ชีวิตเขาจะ่ไคนี้ยังมีชีวิตอยู่นี่นะลามาได้บอกนี่เป็นอ qidah ของเราุนนะว่าเราะ่งบิจนนันเราจะไม่ยินยังให้แกใครว่าเป็นชาวรบีนะชาสวนนี่หมายถึงว่าในขณะที่เขามีชีวิตอยู่แต่เขาเสียชีวิตแล้วนะแม้กระทั่งเสียชีวิตแล้วนะเราจะไม่ันถงมุสลิมที่เสียชีวิตไปแล้ว ในแต่ะเป็นมุสลิมมานะก็จะไม่ฟันธงอ๋อสวรรค์แท้ๆก็ไม่ได้ต้องตายยังไงอ่ะนรูหลูเราหวังว่าเขาจะเป็นชาวเราหวังว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์เอาแล้วคนที่เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้เป็นมุสลิมก็ไม่สามารถที่จะฟันธงว่าเป็นชาวนรกเราต้องว่าเกรงว่าเราต้องเกรงว่าจะเป็นชาวนรก ทำไมอ่ะความเป็นมุสลิมความเป็นกาเฟรนี่นะอันนี้ในภายนอกที่เราที่เราเห็นจากภายนอกแต่าภายในเราไม่รู้ไอคนที่เสียชีวิตมุสลิมเนี่ยจริงจริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นมุสลิมก็ได้เขาอาจจะแสดงต่อหน้าเราก็ได้คนที่เป็นกาเฟรนี่นะไม่แน่เขาอาจจะเป็นมุสลิมก็ได้เรื่อีเกิดขึ้นจริงี่ที่ประเทศอีบเนี่ยเพื่อนผมล่าผมฟังพอเขาเนี่ยมีเพื่อนเป็นคริส อีเนมีคริสเซอร์นะอีเวเป็นคริสคริสมียอพ่อแมาเกคริสมียก็คริสลูคริสวันอาทิตย์นี่ก็ไปบดแต่เขามีเรื่องแปลกช่วงวันอีทุกวันอีนะนะเขาจะมาเฉลิมฉลองกับเพื่อนกับเพือ่อกับพ่อของเพื่อนผม มาฉลองว่าอะไรและกแกๆก็ฝากกับฝากกับเพื่อนเขาที่เป็นพ่อของเพื่อนผมเนี่ยผมกว่าถ้าฉันตายแล้วอ่ะนะฉันมีพิ่นายกำไปอ่านดูพิ่นายกำเพราะแกเสียชีวิตไปแล้วนีแกเขียนในพี่นายเนี่ยวเขาเนี่ยเป็นมุสลิมมาหลายสิบปีแล้ว แล้วขอให้จัดการศพของเขาเนี่ยตามหลักศาสนาอิสลามศา ส, สนาคริสต์ที่อีดนี่นะใครที่จะออกจากคริสต์แล้วก็เข้าอิสลามเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยญาติกูลคนไม่ไม่ยอมก็คือฆ่าเองเดียวแล้วบางคนเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะประกาศอิสลามก็จะปกปิดผมเองเนี่เจอก็ตัวเอง ไปฟังบรรยายอาจารย์ผู้คนหนึ่งแล้วก็มีคนนั่งอยู่ข้างๆนั่งอยู่ข้างๆผมแต่งตัวเหมือนชาวบ้านน่ะแต่นาเ ต, ต, ตงเสื้อธรรมดาละหมาดขึ้นเพราะที่ น, ยย น, นู่นบรรยายน้อยมาก็ระหว่างมกริปอิชาตอนมกริบก็ละหมาดข้างๆฟังบรรยายก็ฟังบรรยานอิชาแล้วนี่ก็ละหมาด ก, ก็ละหมาด หลังจากละหมานนี e e ่ก so uh, so uh, right re ็จะมีแบบว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์คนกุติของของอาจารย์นะก็จะตามอาจารย์ไปที่บ้านก็จะผมผมก็จะเป็นลูกศิษย์พิเศษของอาจารย์นะนะอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าอ่าฮิโดะเอาคนนี้มาด้วยพาคนนี้มาด้วยอาอก็ไปไบ้านอาจารย์ก็จะมีบางคนนะก็มานั่ง นี่คนเนี่ยชื่อ Peter. ปีเตอร์เป็นคนคริสเป็นคนคริสเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมแต่ผมผมเปิดเผยไม่ได้เขาบอกว่าอายุเขานี่ห0สิปีแล้วตอนนั้นนะ่ะนะอายุเขานี่ห้าสิบปีแล้วเขาบอกว่ารับอิสลามตั้งแต่อมอสาม ก็จะให้หลวงพ่อนี่ยมาเทศที่บ้านมาเนยเขาก็จะคนส่วนมากที่นู่นนะ่ะเขาจะเขาจะสร้างบ้านเป็บ้านนี่เขาจะขอค่อนแล้วเขาจะเลี้ยงไก่ที่ดัดฟ้าเลี้ยงไก่เวลาหลวงพ่อนี่ยจะมาสอนมาเทศนะเนี่ยเขาจะหนีไปอยู่กับไก่อยู่ในกรงไก่หนีหลวงพ่อเดือนบวชนี่ก็จะถึงสโดไม่กินแล้วเวลาคริสตินโอเาก็จะกินกินหมูกันนะ่ะเวลาเขากินหมูเขาก็ไม่กิน แต่เขาไม่สามารถเปิดเผยได้แบบนี้มีเยอะฉะนั้นเราจะมองแบบน้คนนีก้เวนเกรงเราเกรงว่าแต่ระวังเขาก็บอัลลอ์นี่อั AH ลลอฮาเราไม่แน่ใจมุสลิมที่อยู่ต่อหน้าเราเห็นกตัตตานี่ยละภาษาทุกอย่างไม่แน่ข้างหน้าจจะเป็นมุนาฟิกก็ได้เหมือนมุนาฟิกหลายคน เหมือนมุนาฟิกที่ท่านนบีลมาเจนฮะเจ้าอับดุลลาอินอุบัยอับิสลูนหลังจากที่เสียชีวิตแล้วนบีลมาเจนฮะเจ้าอัลลอ์บอกไม่มีอัลลอ์บอกไม่มีอิมานเป็นาเฟร์ังงไม่ได้สรุปแล้วว่าการขออภัยโทษให้คนที่ม่ชมุสลิมแต่มีชีวิตอยู่ พอเราได้ให้อภัยโทษนั่นคือเป็นเรื่องที่ย่อมทำได้ยิ่ง ก, กว่านั้นก็คือเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องอภัยโทษไม่ใช่เรื่องเมตตาขอให้หายป่วยขอให้ลูกเป็นคนดีขอให้ครอบครัวมีความเจริญขอให้เจริญเจริญขยดิบขยดีอะไรแบบนี้ขอดธิาทั่วๆไปนี่อันนี้ขอได้นะครับแต่สาหรับผู้ศรัทธานี่ก็ควรที่จะ ขอรัวที่เป็นประโยชน์สําหรับเขาทั้งในโลกนี้แล ะ, ะโลกหนะ้าอัลลอฮ์ก็บอกว่าถ้าเขาปรารถนาดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้ดีกว่าที่อัลลอฮ์เอาจากเขาก็คือเรื่องถ่ายตัวเนี่ยอัลลอฮ์จะให้จะตอบแทนดีกว่าแต่ก็ขู่ด้วยว่าจะมีใครที่แฝงเจตนาลุมไม่ดีความทรยศความทจรจดใ แฝงในใจไว้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเตรียมไว้แล้วเส้นการหลงโทษยันมานว่าอิยูรีดุเคียานตักฟะกดะขานุอัลลอฮะมิงกับลูฟะมกะนะมิโนวัลลอฮฺอาลีมุนฮะคมและดะฮอพวกเขาต้องการจจดทุจริตต่อเจ้ามิดพริวผิดสัญญาจ่ายไทยตัวไปก่อน จะได้ปล่อยตัวแล้วก็จะได้เตรียมมาหักหลังท่านนาบีแล้วก็มาทำสงครามกันนบนบีครั้งหนึ่งอ่าอราบลกเราครูบอกว่าอย่าคิดจะทำแบบนี้นะวะที่อังกฤษให้ท่านนาบีรับเงินไทยตัวจากพวกเจ้านี่นะเพื่อจะได้มีเจตนากลับไปฟื้นฟูตัวเองแล้วก็กลับมาทำสงครามกับท่านนาบีนี่คือทุจริตนะก็แท้จริงนั้น พวกเขาได้ทุจริตต่อองค์มาก่อนแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงให้สามารถชนะพวกเขาได้ก็คือในสงครามปัตติเน่เขาเคยวางแผนที่จะเข็นฆ่าท่านนดมีเคยวางแผนที่จะจับตัวท่านนดมีแต่สุดท้ายเนี่ยเขามาตกเป็นเชลยให้ท่านนดมีแล้วองค์เป็นผู้ทรงรอำรู้องค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณ ในช่วง ท, ท้ายนี่ของซูราตัลลัมฟานเนี่ยเนื่องจากว่าส่วนมากของซูรานี่นะก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องระบบการจัดการบริหารสังคมโดยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นจุดเด่นนี่ก็คือเรื่องแบ่งทรัพย์เฉลยท้ายซูรานี่ก็จะพูดจะมาเน้นถึงเรื่องที่เริ่มต้นในต้นซูรานี่ก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้สถาธรรด้วยกันแต่เราต้องเข้าใจนะ ว่าคําสั่งสอนของอิสลามในการสร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมด้วยกันนะ่ะมันมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องจารีตประเพณีในยุคนั้นและมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติอิสลามในการที่จะก่อตั้งรัฐอิสลามในช่วงแรกฉะนั้นจะมีส่วนราลยละเอียดบางส่วน الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آ و و ا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا و َ إ ِ ن ا س َ ن ص َ ر ُ و ك ُ م ْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ م ِ ث َ ا ق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ب َ ص ِ ي ر اللَّهُ يَبْنِ م َ ن ُ و ْ ن َ يُكْنَ ن َ ي ًّ ا ص َ ح ب ِ ي ًّ ا ب َ ي َ ت ِ ر َ ب ِ إِسْلَامٍ ل َ ب َ ي َ ت ِ م َ ن ِّ ر َ ب ِ إِسْلَامٍ ب َ ب ِ ي ت س ل ا م ก่อิกับท่านนาบีนบีไปไหนนี่ก็ไปด้วยนบีอพยพไปดอพยพไปด้วยอันนี้เขาจะเรียกกันมูฮัจิรินทั้งหมดนี้มีผลนะมีผลอย่ามีผลเกี่ยวกับการการร่างรูปแบบของสังคมที่จะมีบทบาทหน้าที่ต่างๆแล้วจะเป็นเมืองที่ท่านนบีได้อพยพ ไปถึงเขาแล้วก็เขาทําหน้าที่ในการช่วยเหลือท่านนบีนั่นคือมุสลิมที่เขาเรียกว่าอันซอรช่วยเหลือท่านนบีซึ่งสองกลุ่มกลุ่มเนี้ยก็เป็นกลุ่มหลักที่ช่วยเหลือท่านนบีสุลต่านในการเผยแพร่ในการก่อตั้งศาสนามคือมุฮัจิรินและอันซอร แล้วจะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มมุสลิมนะมุสลิมแต่ไม่ยอม อ, อพยพอยู่เมืองเขาอยู่พื้นที่ของเขาแล้วก็ไม่ยอม อ, อพยพก็เป็นมุสลิมเหมือนกันสิ่งที่จะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันในในไหนเรื่องเราจะอธิบายให้แล้วคนนี้ไม่ใช่มุสลิมม嘛โดยไรซ์ลามก็มีสองประเภทประเภทที่ประกาศสงครามกับท่านนาบี เหมือนพกกุรชหรือประเภทที่เขาไม่ได้ประกาศเองนะแต่เข้าสนับสนุนกุริชก็ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นแหละและมีประเภทที่เขาไม่ทําสงครามกับท่านนบีไปทําสัญญาสันติภาพกับท่านนบีแต่ไม่รับอิสลามอันนี้ก็อีกกลุ่มนึงแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีสิทธิหน้าที่ที่แตกต่างกันไป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 กะแลดเดียวเนี่ยนท้ายนี่เดียวก็จบแต่อันนี้เขาแปลตามตามวัในในอียะก็เลยต้องมีหลายแลนะเคยอธิบายเรื่องนี้ก่อนมานี้มาแล้วนะแท้จรงบรรดาผู้ศรัทธาอาเมนว่าฮาจรุเขาเรียกว่าแลอปโยว่จาฮดูอ่แลต่อสู้ดีอัมวาลหิมวะอัพุมต่อสู้ทั้งด้วย ทรัพสมบัติของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาในทางของอัลลอซึ่งอุมมุฮัจีและอันซร์มีน่ตีนกัีฮันกับท่านมิซูอัลลอฮฺวะฮิวะสลมด้วยชีวิตและกับทรัพสมบัติของเขา وال الذين أَوَّلَ صَرُوا ل َ ب َ ن َ ا อันนี้อีกประเภทหนึ่งนะบรรดาผูที่ ให้พักอาศัยคือเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันแต่ให้พักอาศัยอันนี้กลุ่มหนึ่งและอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งสองกลุ่มนี่กลุ่มที่หนึ่งอันนี้กลุ่มที่สองกลุ่มที่แรกเนี่ยศรัทธาอพยพแล้วก็ต่อสู้กลุ่มที่สองบรรดาผู้ที่ศรัทธาและผู้ที่ให้ที่แพ็คพิงเขาก็อันนั้นไม่ได้บอกไม่ต้องบอกว่าเป็นผู้ศรัทธาต้องมีผู้ศรัทธาอีกแล้ว และผู้ที่ให้ที่พักอาศัยและช่วยเหลือนั้นก็คือชาว อ, นอันซารสองกลุมนะก็มุวร์จริดและกะออ็อันซารชนเหล่านี้หละคือเราชนเหล่านี้แหละอุลาอีกนะฟังให้ดีนะชนเหล่านี้แหละเป็นยังไงกันนะ่ะเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสองกลุ่มนี้เป็นยังไงในอายาเนลอัลลอฮฺบอกว่าบาุมเอาวุลยาอุบะ ชนเหล่านี้แหละคือบางส่วนของพวกเขาย่อมเป็นผู้ช่วยเหลือกับอีกบางส่วนอันนี้เป็นสำนวนเขาแปลตามตามทับสั่งนะบ้าดูบางส่วนของพวกเขาย่อมเป็นผู้ช่วยเหลือเอาเหลือบุช่วยเหลืออีกบางส่วน ทำไมต้องใช้คําว่าบางส่วนเพราะ Allah บอกว่าบางดวงเอาเรื่แต่มันเป็นสังนวนหมายรวมว่ามุฮัจญรีล่ล่างซ้อนนี่ต่างเป็นพี่น้องกันจริงๆถ้าเาจะแปลแบบนี้เนี่ยนะนะก็เส้นเรืองชาวมุฮัจญรีเขาต่างเป็นพี่น้องกันจบไหมแต่ชนเหล่านี้บางส่วน <c oughs> ฮะว่าบางส่วน ของพวกเขาย่อมเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วนก็จะต้องกินพรารานิดนึงแต่เขาไม่บิด น, นะเพราะเขาแปลตามคำเขา เ, เขามองว่ า, วาต้องคำนี้มันต้องมีคำนี้ภาษาระดับบ้าตูมก็ต้องมีคำนี้ไนงะแต่ในทัศนะของผมและทัศนะนักแปลระดับโลกส่วนมากนะเขาบอกว่ า, วา คำแปลนี่ส่วนมากนี่เราไม่ได้แปลคําเพราะไม่มีใครสามารถแปลตามทับศัพท์เราแปลเนื้อหาเพราะฉะนั้นจะพบว่าทุกความหมายของกุณอานในภาษาไทยภาษาอังกฤษฝรั่งเนี่นะเขาจะเขียนไว้เขาจะเขียนไว้แต่เรจะ ม, ดมาดีแปลความหมายของคุณอานไม่ใช่แปลตัวคําศัพท์ ตัวคำศัพท์องเดียวเนี่จะแปลทับศัพท์เนี่ยอันนี้ต่ออันนี้นี่นะมันมันไม่เท่าเทียมกันแน่นอนเราเอาแค่เนื้อหาให้คนเข้าใจอา้าแล้วก็มันก็ไม่มีข้อมูลอะไรใหม่มู้าจรินและอันซอร์ก็ต่างเป็นพี่น้องกันใช่ในช่วงแรกๆเนี่ยที่ท่านนาบีอุยพยจากมักกะไปมานินานี่ให้ชาวมู้าีริน และกชาวังซอร์เนี่ยเป็นพี่น้องกันจ ร, จริงๆเหมือนพี่น้องทางสายเลือดมีสิทธิ์ในการรับมรดกซึ่งกันและกันทำไมอะก็ตั้งอาณาจักรอิสลามช่วงแรกเนี่ยจะให้ความสาคัญในการที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคมเดียว ที่แต่ละครอบครัวเนี่ยจะต้องอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างให้สังคมมุสลิมทําไมอะ่ะเพราะบางส่วนของสมาชิกครอบครัวในบางส่วนนี้ก็ไป อ, อยู่ฝังศัตรูนู่นบางส่วนนี้ก็มาก่อเนี่ยไปแอบทําแผนจะได้ฆ่านบีจะได้ทำลายอิสลามเอ้แลวอย่างนี้จะตั้งจะร่างสังคมที่เข้มแข็งยังไงอะช่วงแรกเนี่ย มุสลิมทุกคนเนี่ยจะต้องเคลียร์ตัวเองมีพี่น้องมุฮัจญีรินมาแบ่งมรดกให้เขาเหมือนพี่น้องทางสายเลือดเลยอันนี้ช่วงแรกและหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมีอายะตอนท้ายเนี่ยก็จะยกเลิกการแบ่งมรดกระหว่างพี่น้องผู้ศรัทธา ร่วมอุดมการซึ่งการร่วมเป็นร่วมตายเนี่ยในโบราณอดีตเนี่ยกรีดประเพณีของโบราณ น, นั้นะไม่ได้มีเฉพาะในในสังคมมุสลิมหรือในคาบสมุทรอะไรแม้กระทั่งในเชื้อชาติอื่นๆเขาก็จะมีเพื่อนตายพี่น้อง คนจีนพี่น้องร่วมสาบานพี่น้องร่วมสาบานนี่ก็เป็นเป็นด้วยกันตายด้วยกันถึงขั้นถมีอะไรก็ต้องต้ององถึงกันหละอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาทาไมอ่ะเพื่อสร้างความเข้มขวดระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างพี่น้องด้วยกันแต่พอสังคมมุสลิมเนี่ยได้ได้ถูกร่าง อย่างเข้มแข็งแล้วอะนะเรื่องนี้ก็ถู ก, ก, ก, กยุกเลิกนะก็ไม่กี่ปีน้องก็ยุกเลิกเรื่องนี้คือการแบ่งมรดกให้พี่น้องร่วมสัตาและจะต้องแบ่งมรดกให้เฉพาะผู้ที่เอลอสุภานุกทาละกำหนดนั้นซึ่งอุลมามะน้บอกว่า อายะน์ต้นต่างในสุรษณ์นิสส์มีว่ามันสี่ห้าอายะในช่วงต้นๆของสุรษณ์นิสส์แล้วก็อายะสุดท้ายของสุรษณ์นิสส์ซึ่งเป็นสุรษณ์มาเดนียะเหมือนกันนะได้ยกเลิกเรื่องเรื่องการผูกพันระหว่างมมฮัจิรีนและอันซอร์ในเรื่องการใหสิทธิในการในการใหมรดกทั้ชีวิตแล้ว <c oughs> แต่เรื่องนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทาให้มุสลิมในช่วงแรกที่เทานาดีได้ขุยยบแจกมากามานีนาสามารถสร้างสังคมสามารถละลายพฤติกรรมของสังคมที่มี ที่มีกำมลสนดานของของพวกที่ยึดยึดในระบบเผาข้าวสมุทรอาหรับทั้งหมดเลยเนี่ยเขายึดในระบบเผาพี่น้องทางสายเลือดทางเผาเนี่ยี่ต้องมาก่อนใครมาแต่ต้องไม่ได้ใครมาแต่เนี่ยประกาศสงคราม ว่าถึงท่านจะมีส้นอวัสละลายพฤติกรรมและทำลายระบบเผ่าให้สองคนที่เป็นเผ่าที่เกียดชังกันรบกันมาเป็นร้อยปีนี่นะกลับมาเป็นพี่น้องกันได้ไงนี่คืออัศจรรย์อีสลามสามารถเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้ละลายพฤติกรรมความชอบของมนุษย์ อารมณ์ของมนุษย์ที่จะลําเอียงลําเอียงไปทั้งญาติพี่น้องลําเอียงไปท้งเพื่อนฝูงไปทางเชื้อชาติเดียวกันอีทั้งหมดนี่นะอิสลามยกเลิกสําหรับผู้ศรัทธานี่ก็ต้องลําเอียงไปยังคนที่มีศีลธรรมคนที่มีคุณธรรมเหมือนกันเท่านั้นสําหรับคนที่อพยพเนี่ยแล้วอกอัลลอฮ์บอกว่าผู้ศรทาและอพยพ والذين آمنوا ولم يهادروا مالكم من ولايتهم ما من شيء حتى يهادروا แล้วบรรดาผู้ที่ศัทาอสลิมนั้และมีได้อพยพบนั้นอยู่กับพื้นดีของเขาซึ่งส่วนมากในเผ่าอารามนะหลังจากที่ท่านนบีเริ่มเผยแพร่อิสลามอย่างกว้างขวางแล้วนะเขาก็ศรัทธาเขา่าสนอิสลามนี่มันสอดคล้องกับ ศา ส, สนาของท่านนาบีบรหีมซึ่งเป็นศาสนาบรรพบุรุษชาวอาหรับทั้งหมดกาิดอิสลามกันเยอะมากแต่ไม่อพยพไม่อยากอพยพไปอยู่ที่มาดีนะและมิได้อพยพนั้นก็ไม่เป็นหน้าที่แก่พวกเจ้าแต่อย่างใดในการช่วยเหลือพวกเขาไม่ได้เป็นหน้าที่ในการช่วยเหลือในเรื่องอะไรเอาสมมติว่า เข้าไปทำสงครามกับใครเข้าไปสู้รบกับใครในบริวองเขาท่านนาบีมาตั้งสังคมมุสลิมที่มีข้อบุญในเร้่องศาสนาคนที่ไม่ได้อพยพมาสวามิภักดิ์ในรั่อิสลามโดยมีการปฏิญาณตนให้เชื่อฟังผู้นำคือท่านนาบีสลลอยวาลยัลลัมในอุดมการที่จะสู้รบที่จะอุทิศชีวิตและทรัพย์สินเพื่อศาสนานั้น ตัวเองจะไปสู้กับใครไปรบกับใครไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปช่วยเหลือเจา้าถึงแม้ว่าเป็นพี่น้องกันในด้านศาสนานี่ทั้งหมดนี้ก็เป็นการยืนยันเช่นเดียวกันว่าข้อผูกพันระหว่างมุสลิมด้วยกันนั้นจะมิให้เราได้สนับสนุน ม, มุสลิมในสิ่งที่ไม่ชอบยกเว้นว่า وإن ا س ت รู ر ف ك م في الدين ف ع ل ي ك ู ا น ن ص ر คือไม่ได้มีหน้าที่แต่อย่างใดในการช่วยเหลือในการช่วยเหลือพวกเขาจนกว่าพวกเขาเจะพยพและแต่หากว่าพวกเขาให้พวกเจ้าช่วยเหลือในเรื่องศาสนาถ้าเขาถูกขมเหงเรื่องศาสนาถูกอาธรรมเรื่องศาสนาก็จำเป็นแก่พวกเจ้าซึ่งการช่วยเหลือนั้นี้ ถ้าเขาไม่ยอมอพยพล่ะแล้วก็ถูกกระงแกรจะกลุ่มชนกลุ่มชนหนึ่งเราต้องไปช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมนะต่อกลุ่มชนนั้นๆที่ไม่มุสลิมแต่ถ้าว่ากลุ่มชนนั้นนั้นนะ่ะที่มาระงแกพี่น้องมุสลิมที่ไม่ได้อพยพนะปรากฏว่ากลุ่มชนนั้นที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเดิมเนี่ยเรามีสัญญา สันติภาพกับเขาแล้วว่าจะไม่สู้รบ ก, กับเขาอาม่าบอกว่านี่ก็เป็นข้อแม้ว่าจะทําไม่ให้เราเนี่ยเข้าข้างพี่น้องมุสลิมของเราหนาแท้ๆเลยนะต่อกลุ่มชนนี้ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็มีสัญญาสันติภาพด้วยกันทายังไงอ่ะเราต้องเข้าปณิบนอฏแบบนี้ดูความเข้มงวดของอิสลามในการรักษาสัญญากับทุกฝ่ายแม้กระทั่งฝ่าย ที่ไม่ใช่มุสลิมแม้กระทั่งฝ่ายที้ม่ยชมุสลิมแล้วก็ บ, บรรงแก่คนนี้มันมุสลิมอะนะถ้ามีสัญญาแล้วอะน ะ, เ ร, ะเราจะเราจะเข้าข้างเฮ้ยมุสลิมเราเองงั้นเราต้องเอาเรื่องอ่ะไม่ใช่อิลลัลลาโคลมิบัยนะคุณหลังจากที่อัลลอฮ์บอกว่าถ้าเรื่องศาสนานี้ก็ต้องช่วยเหลือเขานะ่ะอิลลัลลาโคลมิเวยนแต่ ى. นอกจากในการต่อต้าน พวกที่ระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขามีสัญญากันอยู่ไปไหนะก็หมดไปไนะมีสญญัต้องรักษาสัญญาไว้ซาอุดีกับอิรักอย่างเงี้ยอิรักไปทำอะไรกับอเมริกาอ่ะอิรักไปทำอะไรกับอเมริกาอเมริกาก็เลยมาทำสงครามกับอิรักซาอุดีนี่มีสัญญากับอเมริกา เ่าจะไม่สู้รบกันไอ้เราโวยเราเป็นพป่น้องกันเลยมาช่วยฉันหน่อยคือจะช่วยเจ้าจะได้สู้รบกับอเมริกาไม่ได้จะเข้าไปช่วยปณิบัตินองได้ยุตัวอย่างไม่เห็นอัลลาฮฺมุฮมมัดสัู่น้อซีบแล้านนั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันต้องกันข้าม ในหมู่คณะของผู้ศรัทธาที่จะมีความสัมพันธ์ที่หนักแน่นว่ามุสลิมจะต้องช่วยเหลือกันมุสลิมมุสลิมจะต้องสนับสนุนกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงกันข้ามและผู้ปฏิเสธท่าละอัลลอฮ่บอกอัลลอฮฺบอกผล้ที่กบฏบางท่านเออุลียะอุบะเหตุผล ทีมุสลิมจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน oh. ก็พราะอะไรก็เพรฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนี้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัานั้นบางส่วนของพวกเขาย่อมเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วนก็คือผู้ปฏิเสธนี่ต่างเป็นพี่น้องกันเอ้าฮูดแล้วนอสซอร์อย่างเงี้ยอ่เนี่ยอิสราเอลกับอเมริกาอย่างเงี้ยนี เป็นยังไงช่วยกันเราต้องช่วยกันอิสราเอลเนี่ยในขนาดที่คริสต์นี่เขารู้นาะคริสต์นี่เขาพูดนในเวลาเขาขานั่งวงในกันนะ่ะยิวเนี่ยที่ฆ่าพระเจ้าของเราฆ่าพระเยซูอันนี้ยิคริสต์นี่เขาพูดในวงในอันนะแต่เวลาเขาูกับชารูา้เราต้องปกป้องยิวเราต้องปกป้องประเทศเอิสราเอลเนี่ที่สุดเลย อลลอฮฺกล่าวว่าคุณคิดว่าลูกรูมิลล์หนึ่งเดียวรื่องการปฏิเสธสถานที่จริงเนี่ยมันก็เป็นมิลละมันก็เป็นศาสนาเดียวกันนั่นแหละก้าวคือเขาก็เป็นพี่น้องกันเห็นั้นโอ้ยมุสลิมนี่ตาอับสุมด้วยกันมันก็เป็นเหตุผลเดียวกันนั่นแหละเหตุผลเดียวกันนั่นแหละทำไมที่อินเดียร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ ให้ทุกคนที่อพยพเข้าอินเดียเมื่อปีเท่านั้นเ่านี้ท่นี้นะมีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติดได้ให้สัญชาติดได้ทั้งหมดเลยอินดูอินดูที่มาจากบังกลาเทศอพยพจากบังกลาเทศที่อพยพจากปากีสถานอ่าพุทธที่อพยพจากจีนใครที่อพยพจากไห น, นี้เข้ามาอินเดียจะมีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติยกเว้น มุสลิมอพยพจากบังกลาเทศอพยพจากอูรุน g ยเข้าอินเดียจากปีนั้นน่ะไม่มีสิทธิ์อ้าวเลสพุทธและฮินดูอพยพจากบังกลาเทศจากจากพมา่าเงี้ยเข้าอินเดียขอสัญญาได้ก็เพราะอะไรเมื่อผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นบางส่วนของพวกเขาย่อมเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วนก็คือต่างก็เป็นพี่น้องเช่นเดียวกัน แต่วเวลาผรัทธาบอกว่าผู้ศรัทธาก็ต่างก็เป็นพี่น้องเหมือนกันนะนะมันก็เป็นเหตุผลเดียวกันที่มันแฟร์ที่สุดแล้วแต่ความเป็นพี่น้องของผู้ศรัทธาด้วยกันนะนะไม่อนุญาตที่จะให้มุสลิมเลเมิมเบื่อจิตยังที่บานไปแล้วเนี่ยถ้ามีสัญญาถ้ามีสัญญากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ไม่ไม่ทำสงครามกันนะนะถึงแม้ว่าเขาไป ทำสงครามกับมุสลิมด้วยกันน่ะนะมุสลิมฝั่งนี้เขาไม่สามารถที่จะไปช่วยมุสลิมด้วยกันน่ะในการทาสงครามกับอีกฝ่ายที่ไม่ใช่มุสลิมที่ทํามีสัญญาด้วยกันนี่เรื่องคุณธรรมที่จะควบคุมความเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องก็จริงแต่ไม่ใช่ห่าเราเป็นพี่น้องในตาซุปและและเมิดสิทธิ์ของคนอื่นหรื อ, อ, อทําลายและการศีลธรรมที่เราจะต้องยึดปฏิบัติ คุณรรจะทำในสิ่งตรงมาก่อนอิ่ลาจะ فعل ุหูหากพวกเจ้าไม่ปฏิบัติในสิ่งนั้นแล้วไม่ปฏิบัติในการที่จะเป็นพี่น้องกันมุสลิมด้วยกันบู้ศรัทธาด้วยกันเป็นพี่น้องกันเป็นปึกเพนเดียกันในการที่จะต่อต้านคนนี้ไม่หวังดีกับพวกเจ้าถ้าไม่ทําแบบนั้นแล้วความวุ่นวาย จะตในแ่ น, นดลนและา้าดินฟาดินและานและฟ้าดินฟายิัลินแ ห, หะฟานลาดละฟ้าิะาดิน้ดนแ้านและานและาดินดินใละฟ้แล้วใชวนและ้ินลดิน้านินแาินาดินาินลาดินแล้าดนและฟ้ินนะาิานาดินแานแ้ินแะาิาานิะดิ กระทิงเดี๋ยวแล้วตัวนี้อ้กะทิงเนี่ยมันมีนิสัยองมันเองกะทิงเนี่ยมันช่วยกันถ้าหมาป่านี่ไปไปจับไปกัดกะทิงตัวหนึ่งนะกะทิงตัวอื่นน่ะก็จะมาช่วยช่วยทีช่วยกระทึบไอหมาป่าหมาป่านี่ก็ะรองมาหลายตัวจอไปล่ากะทิงสักตัวหนึงกะทิงนี่มันกรุมกระทึบ มาป่ามาป่าก็กเลยนั่นคิดราะว่านี่มีมีกระทิงมีกระทิงตัวขาวตัวหนึ่งแล้วก็กระทิงอื่นเนี่ยมันกระทิงดำที่อื่นก็อย่างนี้แหละกระทิงดากับกระทิงกระทิงขาวมีแต่ บ, บ้านเราอ่ะ จะมีก็ทิ้งเด่กหมาป่านี่ก็เลยขอเจราจากับกับหัวหน้าหัวหน้าก็ทิงบอกว่าเนี่ยเราอยากจะบอกพวกท่านเนี่ยก็ทิ้งดำนี่นะ่ยส ง, ง่างามอยู่แล้วส ง, ง่างามอยู่แล้วสวยงามอยู่แล้วก็อีตัวขาวนีกดูมั มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนพวกเจ้านี่เมนคนละอย่าไปยุ่งกับมันเลยเชื่อดูดีสีไม่เหมือนกันนันกระทิ้งเนี่ยมันลืมที่จะคิดในเรื่องสีเนี่ยผิวสีเนี่ยมันไม่ใช่ข้อแตกต่างเช้นเงินนะมันเงินเดียกันนะสีผิวเนี่ยมันไม่ใช่ข้อแตกต่าง มันไม่บ่งถึงเรื่องคุณธรรมที่อยู่ในหัวใจไม่บ่งถึงเรื่องศีลธรรมที่อยู่ในจิตใจของแต่ละคนสีผิวเนี่ยมันก็ไม่ได้บ่งถึงว่าสมองของคนดํากับคนขาวนี่มันคนละสมองกันหัวใจคนละหัวใจกันไม่ใช่มนุษย์คนดํา <c oughs> คนขาวคนแดงก็เหมือนกันหมดเลยก็ทิ้งดานี่ก็เชื่อมาป่า มาป่าก็เลยไปรุมกระทิงขาวกระทิงขาวก็เรียกพี่น้องกระทิงดากระทิงดามาช่วยฉันหน่อยกระทิงบอกยุ่ๆคนระเว้อกันคนระเว้อกันกระทิงขาวก็เลยเสร็จมาป่าอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่ง หมาป่านี่ก็เลยไปหาเหยื่อเป็นกระทิงดําแล้วกระจิงดํำนี่ก็เลยปติดเป็นนิสัยแล้วไง <ot> ว่าเรื่องอะไรต้องไปช่วยคนอื่นอะไรเงี้ยกระทิงดำเนี่ยตัวนึงพอถูกกัดแล้วก็หมาป่าดึงไปแล้วอะนะกระจิงดําเนี่ยเนื่องจากไปติดนิสัยไม่ช่วยเหลือกระจิงขาวตัวแรกอะนะก็เลยขี้เกียจไม่อยากจะช่วยเหลือกระจิงดําตัวนั้นกระจิงดํา พอถูกกัดลากไปเนี่ยไปถูกกินเนี่ยมันก็พูดอันนี้ในในนิทานน่ะนะบอกว่ากูเนี่ยถูกกินมาตั้งแต่แต่ทิงขาวถูกกินมาครั้งแรกแล้วไม่ใช่เพิ่งมาโดนโดนโด น, โดนล่าครั้งนี้นะที่หมาป่านี่มันสำเร็จในการลา่าฉันได้เนี่ยก็เพราะอะไรเพราะฉันไม่ได้ช่วยเหลือพี่ แคมของสุาอิ ส, สลามทำยังไงอ่ะคิลาฟะระบบคิลาะที่ทำให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกนี่นะเป็นหนึ่งแบ่งกันเฮ้ยมุสลิมอรอันอนี้มุสลิมอันนี้มุสลิมยุโรปคลอันนี้มุสลิมตรุรกีอันนี้มุสลิมอาหรับอันนี้มุสลิมแอฟริกายูยง อันนี้มุสลิมของอียิปพวกเรานี่มีประวัติของอียิปโบราณนะ่ะปุย่าแต่เป็นฟาโรนคนละคนกันนะ่ะแบง่งแบง่งนีอียิปอันนี้อินเดียอันนี้อันนี้มุสลิมอินเดียปัญญากันนี่นะว่าตรงกังนเลยตรงกนเลยตรกนะแบ่งกันนะ่นนะอันนี้ปากีอินเดียไปกันไปกันแบง่งแบง่งแบง่งแล้วสุดท้ายเนี่ยพอแบ่งแล้วอะนะอ่ากัดทีละตัวทีละตัว การที่ละตัวพออินเดียนช่วยเลยด้ยพี่น้องมดสียงช่วยด้วยฮะเยเลยแ้วเสร็จแล้วอินเดียก็เลยตกเป็นเป็นเมืองขึ้นทีหลังเนียไปกัฝ ร, รั่งเศสช่วยเลยด้วยช่นเวยวกัใครๆก็ไม่รู้อาณาเทพเล่าของเฮตอ่ะแบบนี้เป็นต้น สังคมเราก็มีพูดอะไรบางอย่างเนี่ยเจ็บปวดนี่ก็ต้องพูดนะเพราะถ้าไม่พูดแล้วก็ไม่ยอมรับก็ไม่มีวันที่จะไม่มีวันที่จะแก่มีพี่น้องมุสลิมบางคนนยังเข้าใจว่าถ้าพูดมาลา ย, ยูไม่ได้เนี่ยนไม้ใช่มุสลิมแท้ พูดภาษาอิสราเอะแล้วเราก็บอกว่าคนจะมารับอิสลามนนะเขาบอกว่าคนนี้ไม่ได้มาสู่อิสราเอละนะมาสู่ยาวีคือมาเข้ายาวีมันก็สอดคล้องที่เขาพูดกันนี่มาเข้าแขกเออไม่ได้เข้าอิสลามไงมาเข้าแขกมาสู่ยาวี มาเข้ายาวีไม่ใช่มาเข้าอิสลามนะแล้วจะพูดภาษายวีพูดภาษามาลยูไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าไม่ใช่มุสลิมแท้โหคนจีนอย่างเง้ขารับอิสลามก่อนมายูนี่เป็นเร้อยรอปีนะมุสลิมมุสลิมจีนน่ะรับอิสลามก่อนมายูนี่เป็นร้อยยปีนะพูดมายูไม่ได้ แต่ไม well ่ชมชนมุสลิมแท้ได้งไงในสังคมของเราก็ยังมีไปนะอันนี้มุสลิมวาลลยูอันนี้มุสลิมบังกอกนี่มุสลิมอินฮอกอินฮอเองก็มีแบ่งด้วยนะ อ่ามุสลิมจีนฮอลงี่มุสลิมมุสลิมบังกลามุสลิมบังกลามุสลิมปัฒานมุสลิมมาเลวก็มองยังังนะเในแต่ละกลุ่มเี่ก็กะจามีอมุสลิมนี่มุสลิมพวกเราพวกเราแปลว่าอะไรพวกเสุนทรรวรคแล้วคนอื่นล่ะมีพวกเราเหรอเฮ้พวกเราเปล่าแปลว่าอะไรพวกเรา พวกสุนเรานเนบวกพวกพวกเขาก็มุสลิมเหือนกันแต่เขาไม่สุนัขไม่ใช่พวกเราหรงหรือไ ง, น, ง, น, ง น, นี่อะไรจาริิยะมันเป็นจาริิยะไม่ต่างอะไรที่อัลลอุบฮตินะบีัลลาฮอลฮนีประนามเอาเชื่อชาติเอาเอาขอบเขตเฉพาะกลุ่มเฉพาะความเชื่ออะไรบางอย่างมาเป็นขอบเขต มีอะไรสักิ well ่งกที่ Allah บูติกริมุฮจญรีแลออันซรเนี่ยนี่คือุมุฮจรีมีอันซาร์ล l อะรทัานัแต่พอมุฮจรีลอันซรทะลาะกันพวกมุฮจรีโอพวกมุฮจรีช่วยฉันด้วยพวกอันซรโอพวกอันซรมาช่วยฉันด้วยแค่นั้นแหละนบีหน้าแดงเลยขึ้นมิมมัตบอกว่าดาวฮาอินฮมุลตินนะไอคเรียกร้องเนี่ย พักพวกนี่มุ่นที่ไมันเป็นเรื่องเน่าเฟะเรื่องเหม็นของเจฮิเนียทิ้งเถอดทิ้งซะมุสลิมในบัจจุบันเนี่ยไม่อ่อนแอไม่ใช่ผู้กาเฟสในปัจจุบันเนี่ไนยไ ม, นนจจนนไม่แข็งแรงแต่มุสลิ ม, มที่อ่อนแอทรัพยากรในโลกเนี้ยส่วนมากอยู่เป็นดินของมุสลิม พื้นแผ่นดินมุสลิม嘛นะฮะช่องแคบช่องแคบนานน้ำอะไรต่างต่างเนี้ยะอยู่ในพื้นที่ของมุสลิมทั้งน้ําำมันะขอให้ที่นั้นเนละเป็นที่ของมุสลิมนะเนี่ยดูก็มีน้ำมันพุ่งเลย <c oughs> พุ่งออกแบงดูดิมีต่างนิีเป็นนักเก็กว่าผมแต็แปลกใจมากเน้มันอยู่พที่ มุสลิมพูดเอ่ยพูดเองแทบจะคนประชากรโลกอะแต่นี้เนี่ยมุสลิมส่วนมากแล้วแต่ทำไมมุสลิมมุสลิมนะไม่ศาสนานะทำไมมุสลิมตกต่ำที่สุดไม่ใช่พวกเขาเข้มแข็งนะรวบรวมรายได้ของประเทศน้ํามันนั่นนะ เท่ากับรายได้ของประเทศมาอำนาจสองสมประเทศเราเราเอารายได้ของเรานี่ไปไปทอะไรพูดนำประเทศน้ํามันซื้อรถเบนท์ทองคำเอารถเบนท์ธรรมดาไม่ได้เหมือนคนอื่นสั่งรถเบนท์เป็นทองคําโอเช่เป็นทองคําเงินก็ไปอยู่กับเรื่องไ ร, ร้สาระแบบ มันออนแอร์ที่เรานี่แหละเอาพี่น้องรูงเมียเขาแย่ช่วยเหลือเขาหน่อยไม่พ อ, อได้ได้ไม่พอพูดอะไรบางอย่างก็อยากจะพูดนะอยากจะเล่าให้ฟังแต่ที่จริงเนี่ยมันก็งเซฟตัวบ้างนะั่นแหละ Allah جنب و تكون فتن في ا ل ว ر ฟ و ف س น د كبير แต่พวกเจ้าไม่เป็นบุกเพนเดียวบ่แต่มองให้เขาเป็นบุกเพนเดียวแต่เราไม่เป็นบุกเพนเดียวอะไรจะเกิดถ้าพวกเราไม่ช่วยไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่นะอะไรจะเกิดขึ้นความวุ่นวายความเสียหายอใะไหลวงก็จะเกิดขึ้นในผลนี่ ۞وَالَّذِينَ آمَنُوا و َ ه َ ا ج َ ر ُว ا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمَن دَعَوُهُ س และต่อสู้ในทางของอัลลอ์และบรรดาผู้ที่ให้ที่พักอาศัยและช่วยเหลือนั้นชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ศรัทธาโดยแท้จริงอีมาที่แท้จริงที่ทำให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของอีมานของพวกของเราฉะนั้นท่านนายวิศลบอกว่าใวิลเลมได้บอกในอดีตที่เนตอิมามอับดุ เอาสกอุรุล إيمان สายเชือกแห่งอีมานที่หนักแน่นที่สุด الحب في الله والبغض في الله รักในหนทางของ a l l แล้วก็เกียดในหนทางรักเพื่อ Allah แล้วกเกียดเกิดเพื่อ a อย่าให้มีสาเหตุอื่นๆทาให้เรารักกันและเกียดกันซึ่งพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษ لهم مغفرة ورزق كريم فَبَيَدُوهُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ ل َ ك ْ ر ي م ٌ و َ ل َ ذ ِ ي ن آ م ن و ا مِن ب ع د و ه ا ج ر و ا و ج ا ه د و ا م ع ك م ف أ و ل َ ئ ِ ك م ن َ ا ل َّ ي ن تُبْرَدَ ه ا م ْ م ا ت ل ْ ن َ ل َ ه م ْ ب ِ ي ل ا ل ي ا ح َ م ي م ق ن ا ل ل ُ و ل َ ن ا ل ل ُ و م ِ ل ق َ و ا ل ْ م َ ع ْ ل ُ و ل และบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธาทีหลังและได้อพยพเช่นเดียวกันเขาก็จะมีสิทธิเหมือนกันเพราะอะไรเพราะในสใน س ุรสุร ل l يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل و ل ئ ك أ ع ظ و ا مدرجات من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا ว่าคุณลาว่าของเราคนนี้บริจาคต่อสู้ในหนังของเราก่อนพิชิตมักกะไม่เหมือนคนที่มาช่วยเหลือท่านนบีแล้วก้องมาต่อสู้กับท่านนบีหลังจากพิชิตมักกะทาไมล่ะเพราะการพิชิตมักกะนี่นะคือนบียิ่งใหญ่แล้วยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแต่ก่อนพิชิตมักกะนี่นะทุกคนนี่ก็เฝ้าเฝ้าระวังใครไดชนะ ถ้ากูไ้ช น, นะเขาข้างกูได้ช น, นะนะบีชนะกูเข้าข้างนบนีทุกคนนี่ก็ยังลังเลอยู่แต่พอพิชิตมาการแล้วนี่มาการาเหมือนเป็นเมืองหลวงของข้ามสมุทรอันดับพอท่านนาบีพิชิตมาการแล้วนี่นะจบข้ามสมุท ร, รทั้งหมดนี่บอกว่าแต่บีนี่คือคือเจ้านายเจ้านายของของเราหมดจบแล้วแล้วก็บอกว่าคนที่บุญผลบุญคนที่บริจาคยามที่ท่านนาบีต้องการความช่วยเหลือ แต่คนส่วนมากหลังเลมีแต่คนที่ศรัทธาในตัวท่านอบีจริงที่เขายอมก้าวกระโดดกระโดดและอุทิศชีวิตตัวเองทรัพย์สินตัวเองไปช่วยเลือท่านใไม่สนใจละจะมีผลประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์เขาต้องการช่วยเหลือศาสนงท่านอเบียงเดียวไม่เหมือนละพออะบีพิชิตมากการแล้วนี่ใครใครก็รอยากจะเข้ามาช่วยท่นานอบีไม่มีท่านอบีไม่มีศัตรูแล้วไงทุกคนเนี่ยเข้าอิสลาม ผมเห็น่าจะเข้าร่วในวิญญาณของพระเจ้าฝูงละนะปีติก้าวอีจระแล้วมีพิชิตไปปีติเป็นอีจระพิชิตมาตานะปีติก้าวนี่นะมาเลยมก็หนุนวุฒิปีแห่งการให้สถาบันหัวหน้าเผ่าตัวแทนเผ่าทุกเผ่านี้ก็ส่งตัวแทนไปมาดีนะเพื่อไปให้สยาบันกับท่านสวามีพรรคกับท่านนั้นช่วงนั้นน่ะ การเสียสละช่วงที่ไ <conventional> ม <corruption soft ened> ่ม mm. ีใครอยากช่วยเหลือท่นบีแน่นอนผลบุญไม่เหมือนหลังจากพิชิตมักกะและนี่ไม่เหมือนกันแต่นั่นไม่ถหมายรวมว่าความสัมพันธ์ในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยจะไม่เหมือนกันเหมือนกันอันนี้ต้องเหมือนกันว่าอะไรยังวันละนี้นะแอมอนุมีบ้างดูแล้วคนศรัทธาที่หลังล่ะว่าเราจะรูถึงแม้ว่าฮิเดรลอนหลังจากพิชิตมักกะ แต่ฮิจรรัหลัง <atrás> พ e ิชิตมะกานี้นะไม่เหมือนฮิจรรัตก่อนพิช so ิตมะกานะเบี๊ยนะฮานิสุนุยมะฮามัดและฮิจรรัตจะบ้าจนปั่นหลังพิชิตมะกานี้ไม่มีฮิจรรแล้วคือฮิจรรัที่จะมีผลในการที่จะสนับสนุนเต็งเบีและก็ได้ผลละบุญอะแล้วก็ได้ฉายาว่าเป็นมูฮาจิรีนไม่มีแล้วพอหลังจากพิชิตมะกานี้ใครจะอพยพในประเทศขอมุฮัจิรีนมาใช่ไห ฉะนั้นก็มีหลายคนนะที่อพยพจากเผ่าของเขาเนี่ยหลังไนะปยิบมกานน์เออพยพมามาดีนะไม่ได้เป็นมุฮัจิรีนะั่ก็เป็นมุสลิมธรรมดามุฮัจริรีนี่เฉพาะก่อนพิชิตมกานน์เท่านั้นที่จะเรียกที่เรียกว่ามุฮัจิรีน์ัทธาที่หลังแล้วได้อพยพแล้วต่อสู้ ร, ร่วมกับพวกเจ้านั้นก็คือทําหน้าที่ทุกอย่างแล้วนะชนเหล่านี้แหละอูเลกิกะ มิ่งกลุ่มชนเหล่านี้แหละเป็นส่วนหนึ่งของพวกเจ้าอย่าถือว่าเขาศรัทธาที่หลังเขาเห็นจะที่หลังก็มเนี่ยอันนี้เนี่ยมุสลิมแท้ไหมแท้มุสลิมมุเอลลับไหมมุเอลลับมุสลิมใหม่มุสลิมเก่ามุสลิมดั้งเดิมมุสลิมดั้งเดิมเดินคำพูดวันนี้บ่อยไหม คำบนนี้ถ้าเราพูดเพื่อจะได้แนะนําตัวอย่างเดียวไม่เป็นไดแต่พูดเพื่อจะได้เสียดสีลดสถานะของคนอื่นมุสลิมเดิมปะ่ะไม่ใ ช, ออมใชออ่มีเหมือนกันนะ่ะเราไปขอสาวเขาวันนะมุสลิมเดิมปะ่ะ อ, อ๋ อ, อมมีมุสลิมบางคนทุกวันนี้นี่นะ่ะพี่น้องที่รับอิสลามแล้วเคร่งครัดในเรื่องศาสนา มากกว่ามุสลิมเดิมนะและยังก็บอกว่าลูกสาวชันนีแต่งงานแกับกาเฟนหมายถึงว่าไม่ใช่มุสลิมเดิมในสายตาของเขาอะนะระหว่างมุสลิมเดิมกับมุสลิมใหม่เนี่ยมันต่างกันซึ่งเป็นมุมมองเป็นมุมมองที่ไม่ถูกต้องเป็นมุมมองที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องยกเลิกต้องลบล้าง เป็นส่วนหนึ่งที่ยังหลงเหลือจากยาฮิเลียรุน่นเก่าที่เราต้องยกเลิกขับไล่ออกจากสมองจากหัวใจของเราพราอุเล่ก็มิ่งขุ่มที่ศรัทธาที่หลังอพยพที่หลังนี่ไงศรัทธาที่หลังก็คื อ, ม, อมุสลิมรับไงมุสลิมใหม่ไงนะแต่เขาทําหน้าที่ไหมล่ะเขาเหมือนเราทุกอย่างไหมล่ะเหมือนเราทุกอย่างบทบาทหน้าที่ทุกอย่างฟะอุเล่ก็ชนเหล่านี้แหละ เป็นส่วนส่วนหนึ่งของพวกเจ้าเป็นพี่น้องกันเหมือนกันไม่ต่างอะไรกันยกเว้นในเรื่องการแบ่งมรดกยกเลิกละว่าอุลอลอารฮามีบางดูมอุลามีบางดินฟิกิดะบัลเอลบันไาดยาัดนั่นน่นะบางส่วนของพวกเขาเป็นผู้ที่สมควรตอบอีกบางส่วนเขาก็แปลตามสํานวนนั่นแหละหมายถึงว่าญาติพี่น้องกันนะก็มีสิทธิในการที่จะได้มรดบ มากกว่าคนอื่นที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันอันนี้เป็นอายะที่จะยกเรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยที่บอกว่าผู้สุดท้ายด้วยกันนั่นละเป็นเอูลิยาหมายถึงว่ามีสิทธิ์ซึ่งกันและกันแม้กระทั่งในเรื่องมรดกอันนี้ถูกยกเลิกไปที่กิต้าบิลละในคำพีของอัลลอฮ์หมายถึงว่าในอายะบทบรรยัติต่างๆโดยเฉพาะในสุรอัลนิเซซึ่งสุรอัลนิเซนี่ก็ถูกประธานลงมาหลังสองคำบาตรแสดงว่าอายะนี้ก็ต้องประธานลงมาหลังสุรอัลนิเซ แสดงว่าอายะนี้เฉพาะอายะนี้นะก็เป็นอายะที่ไม่ถูกดารามวในช่วงสงครามบัดซึ่งเป็นไปได้นะก็ว่ามีหลายสุรจะมีบางอายะนะที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ท่านนบีจะเป็นคนที่สั่งคนที่บันทึกกุอานะครับอายะนี่มาตั้งตรงนี้อายะนู้มาตั้งตรงนู้นอันนี้เป็นกําหนดการของท่านนบีทั้งสิ้นอินนัลลอฮฺบิกลลิเชอินอาลิมแทริงอัลลอฮฺนั้น สงมอรารู้ในทุกสิ่งทุกอย่างนี่สิ้นสุดของสุรัตอัลอัลสุรัตอัตเตวะเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง ม, มุสลิมด้วยกันและก็ความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมหรือคนดีมัชชีมุสลิมและเรื่องสงครามระหว่างมุสลิมและก็มัชชีมุสลิมจะเป็นเนื้อหาที่คล้ายอึงกับสุรัตอัลอัมแฟล แมนว่าส่วนมากของสุรัอตอตบ้าเนี่ยถูกประทานลงมาในสงครามตะบุกซึ่งสงครามตะบุกเนี่ยในปีในที่8หลังจากสงครามมั้นกันเกือบ7ปีแล้วแต่เนื้อหามันเกี่ยวกับภาวะสงครามและเกี่ยวกับเรื่องความสําคัญระหว่างมุสลิมด้วยกัน และระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่สุรัตอัตโตบะเนี่ยจะเป็นสุราที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับคนที่แฝงความไม่เป็นมุสลิมและเผยความเป็นมุสลิมที่เรียกกันว่ามูนาฟิกเนี่ยพวกกับกอกเนี่ยพูดถึงพวกนี้เสียส่วนมากความให้ายึงระหว่างสุรัตอัลลัมฟาและกับสุรัตอัตโตบเนี่ย ทำให้สฮาบ์บะนี่พอมารวบรวมคุตอ่านหลังจากทีิท่านนอมีเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เลยสฮาบ์บะเนี่ยไม่ยียนบิสลามิลลอฮฺอัลอาบิลาะห์นี่เป็นหนึ่งในคนที่อุลมามะบางท่านได้บอกสฮาราบะบางท่านนี่ก็เอย่ยอูซัยาย์ุเลียมานซึ่งเป็นคณะกรรมการหนึ่งในคณะกรรมการที่รวบรวมคุตอ่านเนื่องจากความคล้ายคลึงระหวา่าง สุราอลลกับสุราอตโทาเนียก็เลยมีรู้ว่าสองสุราเนี่เป็นสุราเดียวกันหรือเปล่าก็เลยไม่ได้เขียนบิสมิลลาห์แยกเพราะคำว่าบิสมิลลาห์จะสังเกตในทุกสุราเนี่ยไม่ได้เป็นอายะเอกเทศบิสมิลลาห์ที่เขียนต้นสุราเนี้นะไม่ได้ไม่ได้ียนว่าหนึ่งแต่จะเป็นแต่จะเป็นประโยค ซึ่งไม่ถือว่าส่วนหนึ่งของสุรร้องอย่างกุรอฮล่าฮะนี่ะจะเห็นว่ามีบิสมิลลาห์ราะห์มานุรัยแต่เป็นส่วนหนึ่งของกุรุว์เล่าว่าฮะไหไม่ไม่เหมือนฟาตีฮ์ฟาตีฮ์นี่บิสมิลลาห์ราะห์มานุรัยหนึ่งบิสมิลลาห์ราะห์มานุรัยทุกสุระนีจะมีทุกสุระมีนะแต่ไม่มีนะหนึ่งแสดงว่าไม่นับบิสมิลลาห์เนี่ย وبنّى نسورة يقول نسورة أ ن م يذكر سورة إنه من سليمان وإنه ب س م الله الرحمن الرحيم هو م ن يو في ال เรื่อง ما هي ر ق م ي م ن ن ب س م الله ا ل ر م ي م هو م ن يو ي เร س و ر ة يقول نسورة ألفاتيها ل سورة أ ن م سورة ث ا ن نعم ب ر ا ن ي ผมเริ่มอธิบายอักุรอานเริ่มจากสุรบาระนะเมื่อประมาณนี่สิบกปีถ้าอธิบายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เคยมีพี่น้องสมก็เคยเอาเทปแล้วก็เคยแกะเทปด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่าการอธิบายครั้งนู้นน่ยมันไม่ค่อยสมบูรณ์ก็อยากจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งก็จะขออนุญาพี่น้องเว้นวัดนะครับสุร บ, รบาระตะวันเนี่ย ว้่นักไว้หลังเดือนรอมฎอนหรืออาจจะหลังช่วงฮั์นะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นต้นใบแน่ยตั้งคันหน้าเป็นต้นใบเนี่ยเราจะเรืร่องมขออธิบายไฮนิสหน่อยโซยูคารีที่ห่างกันไปเยอะห่างกันไปนานนั่นะสักพักหนึ่งแล้วก็จะกลับมาสู่แต่เสียอธิบายความหมายรกรขักดกดอ่าน ا ل ك ا ن َ ن ك ب ك ق ُ م ف ا ع ب ك ا ن ِ ي َ ك ب و ص ل ى ا ل ل ه ع ل ى ن ب ي ن ا م ح ع م د و ع ل ى آ ل ه و ص ح ب ه و س ل م س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه ر ا